ทีการศึกษานี้โรงเรียนวัดโบสถ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมหนึ่งจำนวน40คนมีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนประถมมาสมัครสอบทั้งหมด90คนเด็กชายเจริญจรุนรัตจะต้องสอบให้ได้คะแนนชนะคนอื่นๆ50คนเป็นอย่างน้อยจึงจะได้เรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วันประกาศผลสอบยายอุตสาหไปฟังด้วยชื่อของหลานชายคนโปรด อยู่ลำดับที่40พอดิบพอดีแมใยายจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็รู้ด้วยการขอให้คนที่อ่านออกช่วยอ่านให้ฟังจะเชื่อแต่หลานชายคนโปรดหาได้ไม่ด้วยเคยถูกหลอกมาหลายครั้งหลายคราจนระอาในหัวใจที่จริงผมจะเอาที่หนึ่งก็ยังได้แต่กลัวคนอื่นเขาจะคอมเมนตเลยเอาที่สุดท้ายดีกว่า เด็กผมแกลลอุตสาคุยอวดยายถึงอย่างนั้นก็น่าจะเอาที่สองไม่น่าเอาที่โลแบบนี้ยายอดขัดคอไม่ได้แต่ที่สุดท้ายมันโก้กว่านะยายเพราะใครๆก็เห็นชื่อเราเขาจะได้จำได้หลานชายไม่ไหวโอแต่ยายเสียวนะสิ เกิดพลาดพลั้งไปนิดเดียวก็อดเรียนกันโถมือชั้นนี้แล้วยายรู้ไหมพอผมรู้ว่าเขารับ4ี่สิบคนผมก็บอกตัวเองเลยว่าผมจะต้องสอบให้ได้ที่40สมันทำยากกว่าการสอบให้ได้ที่หนึ่งอีกนะยายเพราะเราต้องเดาใจเจ้าคนที่มันได้ที่39กับที่41ต้องคณี ด, ดูว่ามันจะทำคะแนนได้เท่าไหร่ แล้วเราก็กะให้แพ้คนแรกแต่ให้ชนะคนหลังคนสอบได้ที่สุดท้ายคุยจ้อครั้นเมื่อเข้าไปรายงานตัวกับครูใหญ่คนขี้คุยก็น่าจอยลงไปถนัดหลานประจางโชคดีนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้เรียนเสียแล้วเพราะแกสอบได้ที่สีสิบพอดีคนที่ได้ที่หนึ่งเขาอยากจะไปเรียนที่บางกอกก็เลยสละสิทธิ์ผมจึงขยับคนที่ ได้ที่สองมาเป็นคนที่หนึ่งคนที่ได้ที่ส1บเอ็ดเลยเลื่อนขึ้นมาเป็นที่4ี่สิบเด็กชายผมแกะทำหน้าปั้นยากเพราะถูกยายเยาะเยะ้ยด้วยสายตาเหมือนจะบอกว่าไอ้หนูยังจะมีหน้ามาคุยอีกนะแล้วเสื้อผ้าต้องอรื้อใหม่หรือเปล่าเจ้าครูฉันหมายถึงชุดนักเรียนนะ ยายถามหากใช้ของเก่าได้ยายก็จะไม่ต้องเสียเงินซื้อหามาให้เขาใหม่คงต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนักเรียนและรองเท้าถุงเท้านั่นแหละป้าพราะเครื่องแบบนักเรียนมัธยมกับนักเรียนประถมไม่เหมือนกันอ๋อแล้วต้องมีซสื้อยืดคอกลมสีขาวสำหรับเรียนวิชาพละศึกษาอีกคนละตัวยายฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจ อะไรที่จะต้องเสียเงินยายจะไม่สบายใจไว้ก่อนออกจากโรงเรียนแล้วหลานชายจึงชวนผู้เป็นยายไปซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าถุงเท้าเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะเปิดยายซื้อกระเป๋าหนังสือให้ผมใหม่ด้วยนะครับหลานชายบอกครูเขาไม่ได้สั่ง ยายตอบห้วนๆแล้วยังอ้างครูเป็นสักขีพยานอีกด้วยแต่ใบเก่ามันขาดแล้วขาดอีกผมอายเพื่อนทำไมจะต้องอายหนเมื่อเราไม่ได้ไปลักขโมยของใครเข้ามาไม่เป็นไรมันขาดตรงไหนยิ้ยวยายจะเย็บให้ไม่ต้องรอกครับเสียเวลาทำงานยายเปล่าๆ เดี๋ยวผมไปขอเงินแม่มาซื้อก็ได้เด็กชายบอกนับแต่วันมีเทศที่บ้านยายครั้งล่าสุดครั้งหลังสุดเข้ากับบิดามารดาก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่อได้ประจักษ์ชัดว่าตนยังเป็นที่รักของผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองความอึดอัดขัดข้องด้วยน้อยเนื้อต่ำใจพลันมาลายลงสิ้นเอ่งจะทำอย่างนั้นไม่ได้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 จนคนเป็นหลานรู้สึกแปลกใจแต่ต้องเป็นปีหน้านะปีหน้าฟ้าใหม่ยายคงรวยกว่านี้ด็กชายหมดแรงไม่อยากจะรบเราจึงประชดว่าเอาเธอครับจะเป็นปีหน้าหรือชาติหน้าผมก็ไม่ว่าจะทำยังไงได้อยากเกิดเป็นหลานใหญ่จางขี้เหนียวก็ต้องอย่างนี้แหละยายไม่พูดว่ากะไร ก็ชนะแล้วยายจะต้องพูดอีกต่างเดินกันไปเงียบๆกระทั่งถึงร้านขายเสื้อผ้า mm hmm. เด็กชายได้เห็นความตระหนี่เหนียวแน่นของยายชัดเจนยิ่งขึ้นก็คราวนี้เพราะกว่าจะซื้อได้ยายก็เข้าร้านนั้นออกร้านนี้จนครบทุกร้านเพื่อเปรียบเทียบราคากันเจ้าของร้านที่เป็นคนไทย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 วยย่ายังไงอาตีวังนี้เรื่องมีเงินกลมมาขายอีกระเปล่าตะแปะทักทายเด็กผมแกละขยิบตาทำปากขมุขมิบเป็นสัญญาณว่าห้ามพูดเรื่องเงินกลมต่อหน้ายายตะแปะผู้ฉลาดและเฉลียวจึงหันไปพูดกับยายว่าซาวัดลีครับคุ้งยายวังนี้อากาศดีจังเลยนะครับร้อนจะตาย เลือกอย่างว่าอากาศดีสงสัยจะไม่เต็มเต็งยายว่าเอาดื้อคับคับล่องเกาะล่องเขารีบคล้อยตามเห็นท่าทางหงุดหงิดของยายตะแปะชักใจฝ่อหากก็ต้องทำใจดีสู้เสือด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ร้อนจ้ะไม่ใช่ร้อนอะไรอยู่เมืองไทยมาตั้งนาน ยังพูดภาษาไทยไม่ชัดยายถือโอกาสสอนภาษาไทยให้ตะแปะทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคยเรียนหนังสือเมื่อกี้ลืมว่าอะไรได้ยินเสียงเงินกลงเงินกลงเด็กผมแกละตกใจคิดว่ายายลืมไปแล้วเสอีกรีบแก้ตัวแทนตะแปะว่าเขาพูดกับตาคนนั้นต่างหาก แต่คนที่เดินออกจากร้านตอนเราเข้ามาน่ะใช่ไ้มอะแปะแตะแปะรีบสนับสนุนว่าฉายเลี้ยวใายเลี้ยวอีจะเอาเงินกลมมาขายอ่วไม่มีจะกินแล้วหรือไงถึงได้เอาสมบัติของปู่ยาตายายออกมาขายกินยายกำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะจะต้องจ่ายเงินจึงพานว่าตาคนนั้น หลานชายทำตาปริบๆอย่างร้อนตัวเพราะรู้ดีว่าคนที่ยายตำหนินั้นเป็นใครตกลงวังนี้คุงยายจะซื้ออะไรครับซื้อชุดนักเรียนให้หลานเอาชุดเดียวก่อนนะไอ้หนูปีหนะ้าคอยซื้ออีกชุดยายบอกด้วยความเสียดายเงินอย่างสุดแสน สองชุดดีกว่าคุ้ยายจะได้เปลี่ยงกังต่แปะเสนอหรืออย่ายุ่งนะนี่มันหลานอ้วนะไม่ใช่หลานหรือยายพูดแบบผ่านครับคับไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งต่แปะพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวเด็กชายไม่แสดงความคิดเห็นเพราะยายก็คือยายไม่ว่าเขาจะคิดหรือเห็นเป็นประการใด ผลสุดท้ายยายก็จะเอาตามที่ยายคิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเห็นหลานทำหน้าสังกตายอย่างนั้นยายจึงตัดอกตัดใจซื้อชุดนักเรียนให้เขาสองชุดเสื้อพละหนึ่งตัวรองเท้าถุงเท้าอย่างละคู่ด้วยสนนราคาที่ตะแเปะอยากจะฆ่าตัวตายหากไม่คิดว่าเด็กชายเจริญเป็นลูกค้าเก่าและกาไรที่ได้จากเงินกลมนั่น มากพอที่จะนำมาถัวกับการขาดทุนในครั้งนี้แล้วละก็จะไม่ยอมขายเด็ดขาดทันทีที่ถึงบ้านเด็กชายก็เอาเสื้อผ้ามาลองอีกครั้งเสื้อพละตัวเล็กเกินไปแต่แปะคงจะหยิบให้มาผิดยายจึงว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่กว่านี้สองเบอร์ รีบไปเดี๋ยวนี้แหละเพราะยังไม่ทันคามคืนเด็กชายจึงไปปรากฏตัวที่ร้านตะแปะอีกครั้งเอาแปะอ้วเอาเสื้อมาเปลนมันคลับใส่ไม่ได้เขาวางถุงเสื้อลงตรงหน้าตะแปะยังไม่ทันจะหยิบขึ้นมาดูเจ้าของร้านผู้ชาญฉลาดก็ทิงผูดซะก่อนว่าไม่เปล่งลายไม่เปล่งลายเสื้ออ้ว ซักเล้วยืดลายแถวอัวซักประเดี๋ยวลึกก็ไม่ยอมให้คืนนะสิอ้วรู้หรอกนะเด็กชายเถียงลึกจะคืนทำไมล่ะพอซักเลี้ยวมังยืดลึกก่อสายลายจะต้องคืนทำไมแม้จะจริงดังที่เจ้าของร้านพูดหากเขาก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้เรื่องอะไรจะต้องใส่เสื้อที่ซักแล้วยืดอยากจะได้ที่ใส่พอดีตัวมากกว่า ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เด็กชายบอกตัวเองแล้วเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวังแต่แปะแกะให้เปลี่ยนหรือเปล่ายายถามทันทีที่เข้ามาถึงไม่ให้รกยายแกว่าเสื้อแกซักแล้วยืดได้ไม่ต้องเปลี่ยนอย่าซักเขียวนะไอ้หนูรับรองว่าแกไม่ให้เปลี่ยนถ้าเองซัก ยายพูดอย่างรู้เท่าทันตะแปะผมก็คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกยายพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปเปลี่ยนดูอีกทีเพื่อแกจะให้เด็กชายยังมีความหวังตอนสายของวันรุ่งขึ้นเด็กชายจเจริญไปหาเด็กชายจุกที่บ้านเพื่อชวนไปเป็นเพื่อนที่ตลาดเฮ้ยจุกไปตลาดกันหน่อย ทำ ไ, ไ, ไมวะเด็กชายผู้ไว้ผมจุกตรงกลางศีรษะถามข้าจะเอาเสื้อยืดไปเปลี่ยนซื้อมาเมื่อวานแล้วใส่ไม่ได้มันครับทําไมเองไม่เอาไปเปลี่ยนใช้ตั้งแต่เมื่อวานล่ะข้ามคืนแล้วก็จะให้เปลี่ยนเหรอเด็กผมจุกวิตกแทนก็ต้องลองดูเมื่อวานเข้าไปเปลี่ยนแล้วแกไม่ให้วันนี้เลยจะลองไปอีกทีไปก็ได้ แต่ข้าขอตักน้ำให้เต็มหมดทุกตุ่มก่อนแม่ถังไว้ถ้าแกกลับจากนามาเห็นน้ำแห้งองข้ามีหวังถูกเคียนแน่เด็กชายพูดอย่างสานึกในหน้าที่ไม่เป็นไรข้าจะช่วยตักไปเอากระแตงแมาให้ข้าสิแล้วเด็กชายสองคนก็ช่วยกันตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใส่ตุ่มบนเรือนจนเต็มหมดทุกใบซึ่งกว่าจะเสร็จก็เหงื่อไหลครายย้อยไปตามๆกัน ทำงานเสร็จแล้วคนทั้งคู่จึงพากันไปตลาดครั้นถึงร้านตะแปะเด็กชายเจริญก็ส่งถุงเสื้อให้เปลี่ยนคำพูดเส่้ยใ ห, หม่ว่าเอาแปะ ย, ย้ายอ้วให้เอาซื้อมาเปลี่ยนเขาต้องอ้างยายเพื่อข่มขันตะแปะเปลี่ยนทำไมยมันหลวมก็เมื่อวานเขาบอกมันคับแล้วแกไม่ให้เปลี่ยนวันนี้จึงต้องบอกว่ามันหลวม เมื่อแกตกลงยอมให้เปลี่ยนค่อยเลือกเอาตัวที่ใหญ่กว่านี้สองเบอร์ตามที่ยายสั่งมาหมยเปลงหลายหม่เป่งหลา ย, เ, ลายเสือล้างอ้วซักเลียวหกหลายคำพูดของตะแปะทําให้เด็กชายชวนเพื่อนเดินออกจากร้านในทันทีเขารู้ว่าขืนต่อรอต่อเทียงไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งแกรู้ความลับเรื่องที่เขาขโมยเงินกลมของยายมาขาย ยิ่งไม่เป็นการสมควรที่จะไปมีเรื่องกับแกทางที่ดีควรผูกมิตรไมตรีกันเข้าไว้จะได้พึ่งพาอาศัยกันเอวันข้างหน้าความที่อยากได้กระเป๋าหนังสือใหม่เด็กชายเจริญจึงไปหาลุงเขยซึ่งเขาเรียกว่าอปแปะป้าเหรียญมีสา ม, มีเป็นคนจีนผู้ซึ่งขยันทรมาหากินถึงกระนั้นใหญ่ก็ไม่นิยมชม ช, มชอบเขยคนโตทั้งนี้เพราะเขาประกอบ มิชชาอาชีวะอาชีพของเขาคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ค่าขายวันหนึ่งหนึ่งเขาจัดฆ่ามันนับสิบตัวเพื่อ น, นำไปขายในตลาดยิ่งเทศกาลตรุษจีนเขาจัดฆ่านับร้อยร้อยตัวเลยทีเดียวเด็กชายไปรับจ้างลุงเขยเชือดคอไก่เป็นวันที่สามโดยที่ใหญ่ไม่รู้เหลือเวลาอีกสองวันโรงเรียนจะเปิดหากเงินที่ได้ ยังไม่พอซิกระเป๋าเขาก็จะหนีโรงเรียนมาช่วยอาแปะทุกวันว่าที่จริงแล้วเขาชอบงานแบบนี้มากมันสนุกและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกวันแรกที่เข้ามาทำงานลุงเขยได้แสดงวิธีเชือดให้ดูไก่และเป็ดที่จะนำมาเชือดจะถูกขังไว้ในสุ่มใบใหญ่ซึ่งแบ่งเป็นสุ่มไก่และสุ่มเป็ดตัวเมียจะถูกฆ่ามากกว่าตัวผู้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 ก็โทษลุงเขยว่าไม่ทำตัวให้แม่ยายรักแกจึงกลุ้มใจหันไปเป็นเพื่อนกับเล่าอ้หนูมาอยู่กับอาแปะไม่ล่ะจะได้มีเงินใช้เยอะๆลุงเขยชวนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานแม้จะมาจากเมืองจีนแต่แกก็พูดไทยชัดป้าเหรียนซะอีกที่พูดไม่ชัดทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพราะเสียงอ้อออแอ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 ไม่รู้วันนี้จะมีไก่ขันอีกหรือเปล่านะอะแปะเด็กชายถามขณะเชือดคอไก่แล้วโยนลงในกระทะซึ่งน้ำกำลังเดือดเสร็จแล้วจึงจับขึ้นมาถอนขนออกวันที่ลุงเขยแสดงวิธีเชือดเป็ดและไก่ให้เขาดูเป็นตัวอย่างนั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นทำให้เขากับลุงเขยตื่นเต้นนักกล่าวคือเมื่อลุงเขย จับแม่ไก่ตัวแรกขึ้นมาเชือดคอแล้วโยนลงกระทะแม่ไก่ตัวนั้นกลับบินทะยานขึ้นพร้อมส่งเสียงขันเอกอีเอกเอกดังลั่นแล้วร่วงพลอยลงในกระทะตามเดิมนั่นสิอแปะเองประหลาดใจมิหายไก่ตัวเมียแท้แทแถมถูกเชือดคอแล้วแต่ยังบินได้ขันได้บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อป่าเองเขายังไม่เชื่อเลย นั่นสิครับผมไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังพวกมันก็หาว่าผมโม้พวกนั้นไม่มีบุญรวมทั้งป่าเองด้วยสูเราสองคนไม่ได้จริงไหมคนเป็นลุงเคยสรุปแบบเข้าข้างตัวเองครับผมก็ว่ายอย่างนั้นแหละเอาละ่ะเอ็งเชือดไก่ไปนะวันนี้เอาแค่สิบตัวพอส่วนเป็ดต้องของดสักวันเพราะขายไม่ค่อยดีเอาไปจะไปไหนหรือครับ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 รู้สึกรำคาญที่มันดิ้นรนและส่งเสียงร้องกระตากกระตากแสบแก้วหูเมื่อวานตอนเองกลับไปแล้ว ม, มีลูกค้าเข้ามาต่อว่าเอาแปะลุงเคยเล่าต่อว่าเรื่องอะไรครับเด็กชายถามเขาว่าเอาแปะไปหลอกต้มเขาน่ะสิแล้วเอาแปะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าละ่ะเมื่อถูกถามบุรุษวัยห้าสิบอึ้งไปพักหนึ่งจึงตอบเสียงอมแอมว่า เขาอยากโง่เองคือเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเขามาขอซื้อลูกเจี๊ยบตัวเมียบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงไว้กินไข่บางเอิญตัวเมียเพิ่งขายหมดไปก่อนหน้าที่เขาจะมาหรือแต่ลูกเจี๊ยบตัวผู้ที่ขังไว้ในสุ่มอแปะก็บอกเขาว่าตัวเมียหมดตัวเมียหมดเขาก็นึกว่าไอ้ที่ขังอยู่นั้นเป็นตัวเมียทั้งหมดก็เลยซื้อไปพอไก่โตถึงได้รู้ว่ามันเป็นตัวผู้รีมาต่อว่า ลุงเคยเล่าพลางหัวเราะเหืถ้าเป็นผมผมไม่มาต่อว่าให้เสียเวลาทำมาหากินหรอกก็ตัวโง่ให้เขาหลอกเองยังจะมีหน้ามาต่อว่าเด็กชายพูดเข้าข้างสามีของป้านั่นสิคนโง่ก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจริงไหมไอ้หนูจริงครับเด็กชายตอบรู้สึกถูกอัธยาศัยกับลุงเคยเป็นพิเศษเพราะมีอะไรๆคล้ายคลึงกับตน เงียบกันไปพักหนึ่งเด็กชายก็ต้องประหลาดใจเมื่อเสียงร้องกระตากกระตากดังลั่นมาจากทางที่ลุงเคยนั่งครั้นหันไปดูก็เห็นแกนอนดิ้นพลาดพลาดปากร้องกระตากกระตากดุดเสียงไก่โลหิตสีแดงสดไหลออกมาทางปากทางจมูกและทางหูเขาละมือจากงานที่ทำวิ่งเข้าไปหวังจะช่วยหากก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ ตาของชายวัยห้าสเหลือกขึ้นดุดเดียวกับตาไก่ตอนที่มันถูกเชืออภาพของแม่ไก่ที่โผบินขึ้นจากกระทะแล้วส่งเสียงขันยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเด็กชายยืนตะลึงเขาคิดตามประษาเด็กว่าแม่ไก่ตัวนั้นจะต้องเป็นปีาศาจและมาเอาชีวิตคนที่ฆ่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความกลัวยอย่างประหลาด เด็กชายยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมอธิษฐานดังๆต่อหน้าคนที่ดิ้นพลาดพลาดเลือดท่วมใบหน้าจะประคุลลูกช้างกลัวแล้วอย่ามาเอาชีวิตลูกช้างเลยลูกช้างขอสาบานว่าจะเลิกฆ่าไก่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปศพของลุงเขยถูกนำมาตั้งที่วัดสัทธาพิรมผู้ที่เป็นหัวเรว่หัวแรงของงานนี้ก็คือยายเพราะนางเหรียญ น, นั้นเมื่อรู้ว่า หัวตายก็ไม่เป็นอันทรรมอะไรนอกจากร้องไห้กับดื่มเหล้าหนักขึ้นยายจัดงานสวดพระอภิธรรมศพให้เขยใหญ่ห้าคืนแล้วจึงชาปนากิจในวันเผาศพหลังจากญาติญาติและเพื่อนบ้านกลับกันหมดแล้วเด็กชายเจริญได้แอบไปหาสมภารและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังอย่างละเอียด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 ไก่ตัวนั้นมันมีแรงอาฆาตสูงและมันกดจองเวรจองกรรมกับลุงเขยของเจ้าและที่แก่ร้องเหมือนไก่ตอนก่อนตายก็เป็นเพราะกรรมนิมิตกรรมนิมิตคืออะไรครับหลวงตาเด็กผมแกล่ะถามคือเครื่องหมายของกรรมเวลาที่คนกําลังจะตายนั้นนิมิต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 เช่นการส่งเสียงร้องแบบไก่เรียกว่ากรรมนิมิตและเมื่อเขาตายก็จะไปตามกรรมนั้นเรียกว่าคตินิมิตแปลว่าเครื่องไม้ที่จะนำไปเกิดแสดงว่าอาแปะต้องไปเกิดเป็นไก่เพื่อชดใช้กรรมใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นได้ส่วนคนที่ทำกรรมดีมามากเวลาตาย เขาจะระลึกถึงกรรมนั้นกรรมนิมิตก็าอาจจะออกมาในรูปเห็นบุตรสบกทองมารอรับแสดงคตินิมิตว่าจะไปเกิดในสวรรค์สมัยพุทธกาลเรื่องทำนองนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเจ้าอยากฟังหรือเปล่าถ้าอยากลุงพ่อจะเล่าให้ฟังอยากครับเขาตอบ ท่านสมภานจึงเล่าว่าครั้งหนึ่งบรรดาพระภิกษุได้เห็นชายผู้หนึ่งกาลังจะตายเขาส่งเสียงร้องเหมือนหมูและดิ้นพลาดพลาดแบบเดียวกับหมูที่ถูกน้ำร้อนกรอกปากเวลาที่พวกแขกจะฆ่าหมูเวลาที่พวกแขกจะฆ่าหมูเขาจะใช้ไม้ตีมันแล้วเอาน้าร้อนกรอกปากมันก็จะดิ้นพลาดพลาดส่งเสียงร้องน่าเวทนา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 และคตินิมิตแล้วตรัสบุพกรรมหมายถึงกรรมในอดีตของชายผู้นั้นว่าเคยมีอาชีพข่ามูขายสมภารอธิบายและจึงเล่าต่อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเวนกรรมมีจริงใช่ไหมครับหลวงตาเด็กชายถามรู้สึกหวั่นหวาดเมื่อนึกย้อนไปถึงวันเก่าๆที่เขาสร้างกรรมทําเวนไว้มากมายนะัก ภิกษุสูงวัยมองหน้าเด็กชายอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วตอบว่ามีนะสิถ้าเจ้ากลัวทุกข์ก็จงอย่าไปก่อกรรมทําชั่วเข้าใจไหมเข้าใจครับผมจะเลิกฆ่าไก่โดยเด็ดขาดหลวงตาช่วยผมด้วยอย่าให้ปีาศาจไก่ตัวนั้นมาเอาชีวิตผมนะครับ<ม>เด็กชายรู้สึกกลัวตามระษาเด็กตกลงตกลงแล้วหลวงตาจะช่วย มาก้มหัวมาลุงตาจะเป่าให้เด็กชายผมแกละทําตามเสียงท่านว่าคาถางึมๆงำม ง, มงมแล้วเป่าเพียงเพียงเพียงสามครั้งเด็กชายมีความรู้สึกเหมือนท่านพ่นน้ำลายใส่สศีรษะเขากระนั้นก็เกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดคืนนี้เขาคงจะนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายเช่นคืนก่อน กราบลาสมพันธ์แล้วเด็กชายวัย12จึงเดินกลับบ้านป่านชนี้ยายคงบนหาแล้ว